การบวชโดยส่วนใหญ่ดีดามานดาหรือวงยากเลื่อมใสยินดีเมื่อเรามา ป, ปฏิบัติศีลธรรมเพื่อจะให้ใจิตใจได้รับความสงบสงัดเพจะได้อัจธรรมไปแนะนเขาด้วยอย่างน้อยอตัวเอจะได้รับความสุข บวดมันก็มีเหมือนกันกับนาที่ของคาราวา เ, เป็นไปไม่ใช่เป็นงานเบาไม่ใช่ที่ต้องเล่นตั้งหน้าต่งตางๆจะ ท, ำำทําบําเพ็ญจริงจรงจังๆวิธีใดที่จะได้อาจทำมาสอนใจของตัววิธีใดทีทดท่ีใจของตัวจะได้รับความปุกตามเจริญจะ ท, ำำทําบําเพ็ญอย่างหนักแน่เพราะว่าหากดีบังคับกันไม่เห็น รับทานห้าวันหวันเจ็ดวันก็จะต้องฆ่ากันตายเพราะเหตุใดเพราะความหิวเพราะความไม่ต้องการดีบังคับไม่ให้นอนไม่นั่งข่าเดียวตลอดคืนอย่างนี้ก็ต้องจิตกันเสียงกันฆ่ากันอยู่เช่นกันมีการบวชในศาสนาตัวเองกับบังคับบัญชาตัวเอง วิธีใดที่จะได้มาจึงอัดธรรีบเร่งกระทาบาเพ็ญมาเห็นแก่ลับแก่นอนแก่เถิดแก่เติอนแก่คุแก่คุยแก่อยู่แก่กินเท่านั้นอุตสาพยายามศึกษาทางด้านจิตใจของตัวทุกระยะจิตใจวันใดมันได้รับความสงบสบายเพราะการทำอะไร ขันอะไรจิตใจที่ฟุ้งส่างลำพานคิตปรุงไปนานาประการจะให้รงรวมสงบสบายไมด้เพราะเรื่องอะไรมันต้องมีปัจจัยสาเหตุมาจากภายนอกอีกเหมือนกันไม่ใช่ว่ามันเป็นขึ้นโดยไม่มีเหตุผลมันต้องมีเหตุทีผลมันแสดงขึ้น นักปฏิบัติจึงต้องศึกษาเลือจิตใจของตัวทุกระยะเราทำแบบไหนอย่างไรใจจึงได้รับความสว่างสวยสงบเกิดปัญญาสามารถ่ิดพิจารณาอะไรแบบใคยเราจะจ้องเกิดจำเรื่องการทำของตัวในอย่างนั้นการทำก็จะ ไม่สม่ำเส ม, ส ม, สมกอการทําก็ยัดโดนดีเดินผั่วเลื่อยไปหาผู้ทั้งเกียรตจิตใจของตัวอย่างนั้นการประพฤติปฏิบัติมีวันมีคืนที่จะก้าวหน้าถึงจุดหมายปลายทางอย่างสะดวกสบายหากไม่ระวังรักษาในราบว่าอะไรทําให้ใจิตใจดีสบายอะไรทําให้ใจิตใจยุ่งเหงื่งวุ่นวายไม่มีการคิดอ่าน ไม่มีการติดตามเรื่องของตัวแล้วมันก็โดนเลื่อยไปเพราะเหตุใดเพราะไม่ตั้งความกระดุกามสัดข้อฉะนั้นนักปฏิบัติจึงต้องสังเกตจิตใจของตัวเป็นสำคัญวิธีบทใดที่จิตใจได้รับความสงบส ง, งัดเกิดสติเกิดปัญญาวิชาความรู้ มีบทใดที่เป็นไทยแก่การตระพิปฏิบัติให้ตั้งเกียดเราจะได้ความสุขความสบายโดยมีบทใดมีบทนั้นก็ควรที่จะทําให้มากอารขบฉันอยู่จริงก็เป็นเรื่องสําคัญอันหนึ่งทางศาสนาการจิงนต่าซึงเรื่องสัปตายะาคือความสบายของบุคคล ความสบายนั้นจะต้องสังเกตเหตุผลทางด้านจิตใจไม่ใช่ไม่สังเกตไม่อย่างนั้นก็ไม่ทราบว่สปปาสไปยาของตัวเป็นอย่างไรสไ ป, ปา ย, ยานั้นท่านตาวเอาไว้บุคละสไ ป, ปายะหมายถึงพักพวกเกลื่อนผู่อยู่ร่วมกันมีทิศทิเหมือนกันมีความเห็นเหมือนกันไม่ขัดแย้งกัน จะทำอะไรค้องรองสามากีกันพูดอัดทำอะไรก็เข้าใจกันมีอะไรขัดข้องด้านจิตใจก็ไปปรึกษาตารบกับคนอื่นซึ่งเป็นนักปฏิบัติเดยกันเขามีความเห็นอย่างไรในความขัดข้องของเราเขาจะ เนี่ยสอนให้มีหมายถึงบุคลาสตายยะคือไม่เส้นผ่าศึกศัตรูต่อกันอยู่โดยกันด้วยความรักให้สามารถดีผมเทียวกันไม่ใช่คนหนึ่งเห็นไปอย่างหนึ่งคนหนึ่งทำไปอย่างหนึ่งคนหนึ่งพูดไปอย่างหนึ่งซึ่งไม่ทะเาะทอเาลากันอย่างนั้น ในเส่นสปายะในใจสุขละสปายะคนหนึ่งทำความาความเพียนคนหนึ่งเอือกเลเิบเฮ้าหาแต่เรื่องลบควรจิดใจสื่งกันและกันความเป็นไปภายในก็เป็นไปยากลำบากหรือเป็นไปไมได้เพราะมั่สามารถทีกันเชอง น, นอกคือบุคคนอื่นก็เป็นค่าสืบสตูเป็นทีไหก สะดวกสบายภายในดด้แต่เพีงให้เลือกหาสบายยัหมายถึงว่าบุคคลที่สบายก่ตัวของตัวเห็นแล้วไห่อิจฉาเห็นแล้วไม่พยาบาทเห็นแล้วมีความรักใครเหลื่อมใสยินดีเต็มใจในเป็นไทยแก่จิตของตัวเอง ในใจรักใคร่แบบของตามยินดีที่จะจะูบจักรกรักใคร่ด้วยความเมตียวตาสงสารหรือว่าเป็นเพื่อนมนุษย์โดยกันมาขอพืชปฏิบัติอักธรรมเหมือนกันอุตส่าห์สบายยะหมายถึงดินฟ้าอากาศถตาหนาวเกินไปร้อนเกินไป มันก็เป็นที่เป็นไข่จะทำอะไรก็ไมันสะดวกไม่อย่างนั้นอากาศเป็นคิปอยู่ดีๆก็เกิดคันเกิดคลายเกิดอะไรแค่อากาศกูง่ายๆอยู่ไม่สะดวกสบายทั้งทงที่ไ น, น่มีโรคอันอื่นแต่เรื่องอากาศมันบีบบีบใจของบีบกายของตัวเอง ันเดีเยกว่าอุตุมาเป็นสปายะอุตุเป็นสปายะหมายถึงว่าที่อยู่ที่อาศัยพอเป็นพอไปไม่หนาวไม่ร้อนเกินไปพออยู่พออาศัยได้แล้วเป็นที่เป็นภัยในตายของสุขสปายะอุตุหมายถึงอากาศเจนาสนะสปายะ หมายถึงที่อยู่ที่อาศัยเราอยากจะเดินตรงจมอยากจะนั่งภาวานากล ม, มีอะไรมาวุ่นวายรบกวนรม่มไม้ที่จะเดินทั้งวันกอสะดวกสถานที่นั่งพักผ่อนก็สงบเงียบมีโอกาสเวลาที่จะใดที่นี้่จะรณนาอาจทำอยู่ตลอด มนเรื่องยุ่งเยอะเกี่ยวข้อวุ่นวายรบกวนจะเกินไปแต่บุคคลในวัยอยู่ถ้าเลา ว, ว่าไรืออยู่วัดก็จดต้องมีงานงานส่วนตัวก็มีงานส่วนรวมก็มีพะอยู่คนถึงมีชีวิตจะต้องมีงานทำแต่งานนั้นอย่าไปถือเป็นเรื่องสำคัญกว่าเรื่องท่องจิต ไเห็นงานยิ่งไปการประพฤติปฏิบัติแล้วมันลําบากคลึก่องานปรุงงานอยู่สม่ําเสมอไปปล่อยงานลางงานไม่ได้มันเลยไม่ใช่เราทํางานงานมันกลับทําเรานอนกอดคิดถึงงานนั่งกอคิดถึงงานอยู่นะจิตใจกวเลยไปเป็นไปทางหลักของอัด งานที่จำเป็นของทิสุสามะเนนนักปฏิบั ต, ติเป็นตัวปฏิกะตักน้ำหรือทำอะไรเป็นบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องทำเป็นตามเป็นเวลาไม่เป็นงานใหญ่ทีจะหาโอกาสภาวนาไม่ได้งานใหญ่ก็มีเป็นการเป็นสมัยระยะสั้นๆไม่กี่วันหรือความจำเป็นจะต้องทำ มันเกิดขึ้นไปช่วยกันทำทำเสร็จก็ตัง้งผ่านต่างคนตั้งนาเขาวา่านะรักษาจิตใจของตัวหาความสงบหาความสุขมันเพิ่ให้เกิดปัญญาสามาระอ่านอะไรแก่ไขตัวเอง จิตใจคิดคล่องให้ลุดเข้าใจไปจากชาติเียนหมดปัญหาทางด้านจิ ต, ตใจจิตคล่องตรงคิดต่างๆหมายถึงหลักคิดที่มีอยู่แล้วสมาธิคือความมั่นคงคงใจเมืเราคิดปรุงอะไรออกไปต่อมาจากเป็นปัญญาสามารถที่จะแก้ไข ที่ฟอิดจิตใจให้หลุดออกไม่เหมือนคนที่มีพื้นของสมาธิคิดไปตรงไปหมดตายเป็นขุนยาไปหมดให่เป็นสัญญาให้คิตไปเท่าไรก็หลงลืมคิดไปเท่าไรก็ฟ้องติดคิดไปเท่าไรก็เสาร์หมอนหนังไม้ถึงจิตใจที่ไมนมีหล่ะสมาธิเชนาชนะอย่างที่อว่า หมายถึงเจนานสนะที่สงบเราไต้องสังเกตตั้งแต่เจนาสนะที่สงบเท่านั้นสังเกตจิตใจทั้งตัวอีกไปอยู่ในสถานที่นั้นแต่ทำบำเพ็ญเป็นอย่างไรแต่ก่อนเราเคยทามาง่ายพอไปถึงที่นั้นถึงสถานที่จะสงบสงัดดีแต่เท่าว่าจิตใจของเราไม่ละเอียดให้ไม่สงบให้มีแต่คิดไปรุนไป สัญญาอารมณ์เกาก่อนอคอยเกิดขึ้นหลอกหลอนให้ติดตามอยู่เรื่อยถ้าเป็นอย่างนั้นถึงที่ภายนอกจะสงบสงัดเป็นเสนาสนะวิเศษกว่าตามแต่คิดไม่วิเศษใช่ดังชื่อว่าไม่ใส่สปายะสาหรับเราเนื้อสนะสปายะสำหรับเรานั้นหมายถึงว่าเคยทํามาได้ไปทํากว่าทําได้เรื่องง่ายเข้า จิตเคยละเอียดขนาดนี้เมื่อเวลาไปสู่สถานที่ที่เราไม่เคยไปถือว่าเจ้นานะขณะกี่นั้นหนานีืเเลยกหนาอยู่พอไปถึงเขา้ากำหนดจิตกำหนดใจมันง่ายมันสะดวกมันสบายละเอียดลงไปเข้าใจสิ่งต่างๆชัดเจนไว้จับหมายถึง เสนาธนะที่เป็นสัปายะทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งนอกคงมีอะไรหุ่งเหยิงวุ่นวาย้างในก็บําเพ่นทางด่านจิตใจสะดวกสบายเสนาสนะสปายะอาหารสปรายะหมายถึงอาหารอาหารก็เป็นคิดเป็นไปไม่ใช่ว่าอาหารแล้วจะเป็นของดีของดีเรื่อยไปอาหารถ้าผูกทั้งเสีย อาหารที่มันมีชีวิตอาหารส่ตรู้สึกว่าภาวานามันเบามันสบายป่ะพวกเนื้อพวกหมูพวกวัวพวกควายอย่างนี้เราฉันมากๆลงไปรู้สึกคทึบทับถมมีห่วงเหงาเหานอนที่เจะอะไรไม่อยแจ่มใส่หลักนั้นราคาตันหาก็มากอยากเกิคดคิออกไปนอก เรื่องของอัดของทำเป็นไปได้เรื่องอาหารในเซว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่เป็นไปไม่ได้พระผูใ้ใต้จ้าผู้มีปัญญาตาญาสั้นก็ไ่ไปเนี้ยสอนไว้เราต้องสังเกตตัวของเราเองว่ามันสะดวกด้วยอาการอย่างไรมันสบายด้วยอาการอย่างไรคนที่เคยฝึกใจมาแล้วจะสังเกตง่ายคนที่ไม่เคยฝึกเอาเลยโกเบซราบว่าอะไรมันเป็นอะไร ไม่พอใจแต่คนเคยฝึกจะต้องรู้จักว่าเคยทําอยู่เป็นนิดเคยทําได้หรไม่ได้มันเป็นเพราะอะไรจะต้อ ง, งตั้งใจการภาวนาเป็นเรื่องละเอียดเป็นงานหนักไม่ใงานเบาถ้าจะมุ่งหนา้ามุ่งตาจะทามทุกจริงๆเป็นงานหนักแต่ก็เห็นผล ในการบำเพ็ญของตนจึงกล้าระพเดิปฏิบัติในในใทำไปอย่างสุ่มเดาต้องเห็นถึงลำบากกายก็เห็นผลรายได้ที่จะเกิดขึ้นตอบแทนความทุกข์ความลำบากของตนเหมือนเขาทำไทยนอกถึงทุกยากลำบากหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินก็ต า, ามก็ติทำ ไรทำนาแต่ถ้าว่าสิ่งที่เขาทำไปจะยังผลให้ได้รับความสุกความสบายในวันข้างหน้ามีการภาวนานักภาวนาก่าทำนองนั้นยิงกล้าสามารถบังคับบัญชาตัวของตัวให้ทำในสิ่งที่ตัวต้องการเพราะทำไปแล้วอย่างน้อยก็ยินดีตื่นใจ และเราได้ทำถึงอันนี้สงยังไม่เกิดเราควรเห็นว่าการทำลงไปของเราไม่มีทางที่จะเสื่อมเสียที่จะชั่วเหยียเดเยียนตัวและคนอื่นเป็นการงานเป็นการทำที่ถูกตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเลือกได้ก็เบาสบายว่าไม่ป่อยวันเวลา ชีวิตเป็นเหมันวันนี้เลยเดินจงกรมอย่างนั้นจะได้ทำภาวนาอย่างนี้ขอวัดอย่างนั้นขอวัดอย่างนี้ไม่ได้เสียไปไม่ได้ทำเปล่าหมดวันหมดคืนไ ป, ปไเปล่าจะลึกได้ถึงขอวัดปฏิบัติถึงการจะทำบำเพ็ญมันสุ่มเยน็นจิตใจพอโอกาสคนส่วนใหญ่จะได้ทำอย่างเราหายยาก จำนวนเหมือนจำนวนแสนจะมีคนหนึ่งไดกระทำอย่างเราบัญหายะาก่เราจึงเต็มใจยินดีในการกระทำความดีของตน <c oughs> การภาวนาหลักเกณฑงสำคัญควรจยั่งยืนสงบสงังัดอย่าพึงจิดกลุส่วนอื่นมาก ให้รักษาจิตของตัวเอาไว้จะกาหนดกายกัวกำหนดจริงจริงแจ้งจอยากให้มันออกหนีไปจากกายถ้าหากมันไม่อยากจะบริกรรมพุทโธกำหนดแต่ศรีรษะลงไปหาฝืนเทา้าทางหน้ามาหาสัางหลังสั่งหลังไปหาทางหน้ากำหนดไปกำหนดมาที่เจรินาอยู่นั้นว่ากายอันนี้มันยีลังอย่างยืน ไหมมีอะไรอยู่ในกายที่นี้ที่เป็นนาอยู่นั้นพกวรมอยู่นั้นไม่ปล่อยจิดให้คิดตรงอันอื่นยังแค่นี้กว่ามีทางแะ่สงบได้ห า, าะใจถูกล่ามโดยสติเอาหลักคือกายเป็นหลักเอาสติเป็นเชือกผูกเอาไว้ ไข่ชิดทีท่นาในกายของตัวอยู่เรื่อยไปโดยไม่ให้ส่งชิดติดตามอารมณ์อื่นมันจะมีทางสงบไม่อย่างนั้นจะบริกรรมกตัง้งนาบริกรรมจริงๆริงจ้งแอย่าไปส่งออกไปทางนอกยังกําหนดพุดโทรไปเลยกี่นาทีเยิกคิดอย่างนั้นเยิกคิดอย่างนี้จนเสียเวลาไปชั่วโมงสองชั่วโมงกว่าจะได้ภาวนาะ ทำไมไม่เห็นอันนี้สงอะไรไม่รวมรวมก็มันไม่อยู่ในวงของอักของธรรมมันจะรวมรวมอย่างไรมันจะได้อัศจรรย์ญญอะไรมันเพียงจะเป็นกิริยาเท่านั้นเราทาจริงทาจังิงจริงจะเห็นจริงจะเป็นให้นะไม่ใช่มันเป็นท้องง่ายเท่าไรการทาจิตทาใจถ้ามันเป็นท้องง่ายทุกคนก็จะต้องทำได้มีความสุข หน่นเป็นของทำยากของสี่หายากของขี่ทำยากคนทาได้เพราะจริงว่าเป็นคนเก่งหนาเหลื่อมใสหนานับถือเพาเขาทำไได้นีเราทำได้เราก็ดีใจสบายใจพยายามทำอย่าไปทอดทุรลเมือนเฉยเป็นการงานของนักบวชการภาวนา การศึกษาส่วนอื่นไม่จำเป็นก็อย่าไปศึกษาศึกษาใจของตัวศึกษากายของตัวเพราะตัวนี้เป็นตัวสำคัญหาเรารู้จักกายของเราแยบคายจริ ง, จงแจงเสียแจงในกายของตัวกายของคนอื่นซึ่ง เป็นอดีตล่วงมาแล้วก่อตามปัจจุบันที่ยังเห็นอยู่ก่อตามอนาคตที่จะมาทางหน้าก่อตามมันเหมือนกันมันไม่มีอะไรน่าอัศัยกันไม่มีอะไรที่จะน่าสงสัยขอให้เข้าใจเรื่องกายของตัวทวดถึงเถอะเรื่องกายของคนอื่นมันเหมือนกันทั้งนั้นสมมุติว่าหญิงวาชายเป็นเรื่องสมมุติกายจริงๆมันเหมือนกัน หมว่าถาดดินหรือถาานน้ำถานลมถาดไฟอากาศถ่านหรือวิญญาณถ่านามันเหมือนกันมันไม่มีอะไรทิ่แปดแตกต่างกันแด้วตัวของเราเป็นทุกอย่างไรคนอื่นเขาก็จะจงเป็นอย่างนั้นตัวของเราแปรปวนอย่างไรคนอื่นตัด์อื่นถึงเป็นอดีตนาครัมันก็เป็นอย่างนั้นอนมันจริงไม่มีอะไรที่จะน่าสงสัยไม่มีอะไรที่จะน่าข้องใจ เอาใจจริงจังเรื่องร่างกายมันก็ส บ, บายพอกายเป็นเรื่องของนักเป็นปัญหาใหญ่โลกทั่วไปลเรื่ององกายาจให้เนนะข้าใจจริงงตลอดเรื่ององกายมันหายสงสัยมันเป็นงานละเอียดยงเรื่ององใจที่จะแก้ไข คล้องท้องตัวมันมันจะเป็นงมนอกหานอกทันทีแน่จริงสอนครูอาจารย์บอกว่าลูก ป, ประทามนามธรรมามหมายคือลูกท้องตัวเนี่ยเป็นก่อนอท้องธรรมหากพิจารนาให้เป็นธรรมหากพิจารณ า, า, าเป็นที่เล็ตัวนี้แหละตัวที่เล็กใหญ่ เสียฟูงซิปปิดของกำหนัดยินดีเกิดเพ ล, ลินล้ไหล่โคลงกายของตัวโคลงกายของคนอื่นที่แจนาหยาบคายแล้วมันเหมือนกันหมดมันไม่มีหิ่งมีชายภายในภายในกายทั่วไปมันคงไม่มีอะไรที่หน้ารักหน้ายินดี มีแจ่ขี่เต็มตัวมีแตะของสกปกพิเจณาไปทางอสุธาอสุขังพิเจณาอันนีน้จังความไม่เกียรมั่นก็ถูกหลักคำคําสอนมันอยู่ในตัวของเราท่านทุกคนไปขอให้ต่างใจที่นีพิเจณ า, าตัางใจศึกษาความถอดถอนที่เรียสตัญหาไม่ต้องเรียกร้องถ้าศึกษาถูกพิเจานาถูกจริง ที่เราต้องการมันจะเกิดขึ้นเต็นขึ้นซึงเป็นผลของการของกติปฏิบัติอีจฉาในที่นี้ที่เจะนะไม่ศึกษาความหลงมันก็ตามมาเรื่อยๆในเช้ว่าแก่าแล้วที่เหลือัญหามันจะเบาบางไปมันยังเกิดยังมีครับผมจิตใจอยู่ตลอดระยะเวลา คนที่มีจีเลตปัญหาทับผมจิตใจไม่ใช่คนสบายไม่ใช่คนมีความสุขมีมากเท่าไรก็รยิ่งเป็นทุกข์หนักเข่าเท่านั้น่านจึงสอนให้ที่เจนาเรื่องของกายของใจตัวเองศึกษาในนี้ถั่วถึงแล้วมันก็ไม่มีสวรรค์อยู่ที่ไหนนิพพานอยู่ที่ไหนในต้องไปหา เพราะทุกอย่างมันมีครบสมบูรณ์อยู่ในกายในใจถ้ากายใจไม่รู้ไม่เห็นยังเมือบอดอยู่แล้วจะไปศึกษาจากตำรับตำราไปฟังมาจากใครก่าตาง ม, มันก็ไม่ทราบยังไม่หมดสงสัยอยู่นะยังคล้องใจอยู่นั้นถ้าเราทำทิ่นี้ที่เจอนะโดยตัวของเราเองศึกษาจากข้อมูลคือ กายใจของตัวเองความรวนละเฉลี่ตัญหาหมดไปอย่างไรความสุขความสบายของกายของใจเป็นอย่างไรความปล่อยวางเฉลียตัญหาเป็นอย่างไรมันเข้าใจแล้วจะอยากอะไรจะหลงอะไรมันไม่มีทางที่จะหลงมันมีทางที่จะอ <c oughs> ยากต่อไปพอถูกจลุกข้องมัน การพิจารณาธรรมันเป็นหน้าที่ของนักบวชทุกคนจะต้องสนใจจะต้องศึกษาจะต้องภาวนาให้รู้ธรรมของผู้ใจจางูดไปมาผู้โกมาก็คืออาการของกายของใจเท่านั้นไม่ใช่เรื่องอันอื่นกล่าวไว้ในอภิธรรม เป็นยอดของธรรมหรือวิปัสนาภูมิภูมิที่จะให้เกิดปัญญาก็ไม่ใช่เรื่องนั้นอื่นเราเคยเรียนเคยรู้กันปัญจขันธ์ทางเวทนาขัานโธวิปัสนาภูมิจันทันส่วนมันอะไรกันปัญจขันธ์ขันธ์ทั้งหาคืออะไ ร, รอยู่เวทนาปัญญาทังขานธยิน ญ, ญา นล ม, มีที่อื่น่วนไม้ภูเขายินฟ้าอากาศธรรมะ <c oughs> ด่านจิตใจสู่ฝังธรรมะจำเป็นกับชีวิตของทุกท่านคนที่ไม่มีธรรมะกม็มีความสุขธรรมะจึงจำเป็นในชีวิตีควรฝึกทิตอารมใจ การฝึกจิดจะฝึก ด, ด้วยวิธีใดผมมุ่งหวังอยากจะให้เกิดความสงบาสงบความสุขเกิดการกระทำของทุกท่านจึงเป็นทางออกผิดขอให้จิตมันสงบเป็นพอ จะภาวนาพุโทโธธรรมโมตังโสด้วยจะภาวนา阿拉หังได้ท้งนั้นจะกำหนดเกสาโรมานกษาตันตาได้คือหมายถึงจิตสงบเป็นที่มุ่งหวังของการฝึกจิตจิตของทุกคนเคยสุง่งสวงจิตนึอกเรื่องนอกแต่เคยสงบการฝึก เห็นอยู่ตามวัตถุเห็นอยู่ตามสถานที่ไม่ไดมุ่ง่หวเรื่องของจิตเป็นสิ่งที่มีความสุขยงพอสมบูรณ์เลยไปหาแอ บ, บเรื่องอื่นมาเป็นความสุขเกาะเรื่องอื่นแอบบเรื่องอื่นซึงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเลยผิดหวังไม่สวมปราถนา แตนั้นการภาวนาคือการอบรมจิตเพื่อให้จิตสงบ จ, งจึงจะประสบเรื่องความสุขความสมหวังเพราะความสมหวังของการภาวนาหมายถึงความสงบของจิตจิตสงบก็มีหลายอย่างอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียด <c oughs> อย่างหยาบ หมายถึงจิตสงบจากนิวรณ์พ่ขณะเวลาอย่างการหมายถึงจิตมีสมาบัติจะเข้าเวลาใดออกเวลาใดทำได้สะดวกสบายเพราะการฝึกการอบรมของตัวอย่างละเอียดหมายถึงการละถอนกิเลสที่หมดไป จากจิตจากใจไม่มีอะไรมาก่อควรอีกไม่มีการเข่าการออกเพราะการถอนกิเลสออกจากใจการผิดจิตหลุดออกจากโลกเป็นความสงบยิ่งเป็นความสงบละเอียด <c oughs> แต่ถึงอย่างไรก็ดีหยาบบางละเอียดก็อยู่ในกิจ ด, ดวงเดียวกัน ใ, ใจไปมีในสถานที่อื่น <c oughs> และการฝึกฝกึกในตัวของตัวไม่ต้องไปฝึกที่ใดเพราะกิเลสมีอยู่ที่ใดก็เสียต้องทีนี้พี่เจนากำจัดให้กิเลสตัญหาหมดออกไปความสงบก็เกิดขึ้นเพราะกิเลสเป็นสิ่งที่ก่อวรความสงบ ของใจจิตของทุกคนการภาวนาของทุกคนจะภาวนาไปแบบไหนอย่างไรก็รมุ่งถึงความสงบงถึงความผลทุกจะได้มาด้วยวิธีใดก็ไม่เสียไม่ผิดเหมือนกันกับแม่น้ำสายต่างๆ จะไหลมาจากคิดใดทางใดถ้าลงสู่ทะเลกวดเป็นรสเข็มเหมือนกันหมดจิตใจของพวกเราท่านี่ปฏิบัติภาวนาอัดธรรมก็บทำนองเดียวกันคนที่จะภาวนายุบหนอพองหนอด้วยจะกำหนดลมหายใจเข้าออกด้วยจะกำหนดพุทโธธรมโมสังโฆอะไรก็มุ่งหวังเพื่อให้ใจสงบเมื่อ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 เมื่อสงบถึงที่มีแต่สติความรู้เอกคตาความเป็นหนึ่งของจิตเมื่อจิตเป็นอย่างนั้นจะได้รับความสุขความสบายาเพไใบยึดเกี่ยวกับเรื่องนอกอา น, นิสงส์รู้เห็นเด่นชัดในตัวเอง ไม่มีการสงสัยว่าจิตของเราเป็นอย่างไรทําไมจึงปิดแตกแตกต่างแต่เก่าก่อนอย่างนี้มันรู้มันเข้าใจในตัวมันเองเราะฉะนั้นการปฏิบัติจึงควรฝึกหัดอบรมตัวควรปล่อยเวลาให้เป็นหมันชีวิตของพวกเราท่านในจีรังอย่างยืนตามตายเป็นของเที่ยงแต่ความเป็นอยู่ไม่เที่ยง ในวันใดก็วันหนึ่งแด่ปวนไปอยู่ทุกระยะทุกเวลาหากเราไม่ถือโอกาสช้วยโอกาสในเหมือนเวลา <c oughs> ลมหายใจยังมีอยู่ทำคุณงามความดีสร้างกาะสร้างที่พึ่งให้แก่จิตใจใจแล้วพอไม่มีโอกาสเวลาจะทำได้คนตายจะทำบุญทำบาป ทำไม่ได้อาศัยกรรมที่ตัวทํามาแต่ยังไม่ตายเแ่านั้นเป็นสี่พึงสี่อาศัยเกาไปในภพทางหน้าแต่ทุกคนเกิดมาจะปราศจากการกระทําไม่ได้ ท, ทําทางกายเรียกกายกรรม ท, ทําทางวิจาเรียกวิจิกรรมทิศทางใจเรียกมโนกรรมทุกคนย่อมมีกรรม คือการกระทำทางนั้นอยู่เฉยๆธรรมดาเป็นไปไม่ได้เพราะคนมีจิตวิญญาณไม่เหมือนวัตถุอ่ปราศปจากจิตวิญญาณฉะนั้นพวกเราท่านก่อนยังที่ไม่ล้มหายตายไปจะสร้างเกาะสร้างทีพึ่งของใจในทางดีโดจะต้องประกอบปฏิบัติอย่าไปอ่างการอ่างเวลา ก็ทำบำเพ็ญใหเห็นให้รู้เมื่อยังไม่เห็นไม่รู้จิตใจก็ต้องสงสัยว่าตายไปจะไปเกิดเป็นอะไรเพราะเรายังไม่เห็นจิตใจของเราปัจจุบัน <c oughs> มีแต่ความฟุ่งเฟุองจิตอ่านเรื่องอื่นแล้วก็เกิดสงสัยว่าตายแล้วจะไปสู่ภพใดชาติใดนี่คือใจยังไม่มีที่พึ่งที่อาศัยยังไม่สราบ ชัดเรื่องของใจตัวเองปฏิบัติจนถึงความรู้ประจับรับรองตัวของตัวเองวระตายการใดเวลาใดไม่ผิดหวังถึงไม่ถึงที่สุดริโมตินพานโดยอำนาจจิตใจที่มีอจัจธรรมมีความสุขมีความสงบกว่เชื่อมั่นไาจากชาติขันของมนุษย์ไปจะมีความสุข ความสบายยิ่งกว่าในชาติปัจจุบันเพราะเห็นไปจากในกจิตเมื่อตายไปแล้วถึงพบชาติยังไม่หมดกว่าจะได้ไปเกาะไปอาศัยที่สะดวกสบายยิ่งกว่าอาศัยอยู่ในกายของมนุษย์เมื่อเป็นอย่างนั้นการล้มตายก่อนจ ม, มีการเสียใจพอมีกำไรในการเกิดในขอะพืชปฏิบัติด้จิตเห็นใจของตัวจะรับความ สูกความสงบพอสมควรหากเราไม่ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติไม่เคยทำบาเพ็ญจะคอยให้คนอื่นเขาทำให้ตายไปอยามิตรถูกหลานถูกเกี่ยวข้องจะทำบุญคุนทานให้อันนี้ไม่แน่นอนเพราะคนตายทุกคนเมื่อตายไปแล้ว หมดสิทธิในสมบัติที่หามาได้จะมีมากน้อยเท่าไรสมบัติส่วนนั้นเราไม่มีสิทธิจะมาเกี่ยวข้องฟ้องศาลให้เขาทำบุญทุนทานอย่างนั้นอย่างนี้หาเมื่อเขาไม่เมตตาเขาไม่สงสารเขาจะเอาทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้ใช้ประโยชน์ ของเขาเราก็ไม่มีอะไรที่จะมาต่อว่าต่อขานกับเขาเรายังมีชีวิตอยู่จึงควรรีบกระทำำําบําเพ็ญสิ่งใดที่จะเป็นประโยชน์ไม่ใช่ตายแล้วจะเป็นเปรตเป็นผีคอยรับบุญผุ้สนจากคนอื่นพอตายไปจิตใจของเราก็ไม่แน่นอนว่าจะไปเกิดเป็นเปรตคอยรับสมบัติพัฒสถานสี่ญาติมิตรอุทิศไปให้ถ้ากรรมหนัก ก็ไม่มีโอกาสเวลาเขาจะอาทิตย์ุทิยไปหาก็ไม่ถึงแต่กรมเบาเป็นเปรตเวาที่จะมารับได้ก็ก็ยังชั่วแต่ก็ไม่ดีเป็นเปรตเป็นผีเราสร้างเอาความดียิ่งกว่านั้นอย่าให้ผิดหวังตายเมื่อไรเราจะไปกาะอาศัยพบชาติใหม่จะให้มีความสุข ก, กายสุขใจวิเศษประเสริฐกว่าที่เป็นอยู่ ถ้าคิดอย่างนั้นก็ควรอย่างยิ่งที่จะประพฤติปฏิบัติฝึกหัดจิตใจของตัวที่ชั่วที่เสียต่างๆให้ตกไปเบาไปสบายไปถึงสึงความสว่างสวยัยความสงบภายในเพราะความสว่างของจิตของใจทราบได้อะไรดีชั่วผิดถูกต่างๆเหมือนคนมีแสงสว่าง ยอไม่ตกหลุงตกบอกอะไรตกมาต่อหน้าต่อตาพอมองเห็นว่าอันนี้เป็นของดีอันนี้เป็นของชั่วคนที่ ม, มืดมิดไม่ว่าทางตานอกตาในจึงเป็นทางที่เสียหายได้พะไม่ทราบว่าอะไรดีชั่วผิดถูกพอมองไม่เห็นความสว่างของใจก็ไม่มีอะไรอื่นนอกจากการึกจิต จิตนี้ถ้าหากหมดพิษหมดไทยหมดเรื่องอะไรไปปกคุมแล้วสว่างสวัยประพัทสอนอยู่ทุกระยะทุกเวลาจิตที่เมือนมิด ต, ต่เพาะเหตีจิตมีกิเลสอาสวะเข้าไปปกคุมหุ่มห่อเอาไว้เหมือนพระทิตพระจันทร์ปกติถ้าไม่มีเมฆหมอกหรือลางหูปิดบงัง ถ้าคิดพระจันทร์จะต้องสว่างสวัยสองแสงจ้าทั่วโลกแต่ที่เป็นไปไม่ได้บางการบางสมัยก็เพราะเหตุว่าเมฆไปปิดบังหรือหมอกมากปิดบังอเอาเสียไม่อย่างนั้นถ้าทิดพระจันทร์จะต้องส่องแสงสว่างสวัยใจของพวกเราท่านกับทานองเดียวกันเรื่องจิเลตันหาปกคลุมหุ่มไว้ จึงไม่มีการสว่างสวัยไม่มีอะไรเป็นสีเป็นแสงออกมาการภาวนาคือการชำระ <c oughs> เรื่องจิตใจที่เร้าหมองขุนมัวต่างๆจิติดเคยปุ้งคลงคิดอ่านให้สงบละงับพอสงบละงับบางทีก็เกิดแสงสว่างขึ้นสว่าง รายจ่างไปหมดภายในจิตในใจจะมองอะไรก็เห็นถั่วถึงตัวเองกสันสรรเสริญตัวเองชมเชยตัวเองอัศจรรย์ตัวเองเพราะจิตไม่เคยเห็นเคยเป็นมา ก, ก่อนพอเกิดความสว่างสวัยขึ้นไปอย่างนั้นจะต้องทีนี้พิจรารณาจะต้องชื่นชมปีติในความเป็น ความเห็นของตัวนี่อเนกสงปัจจุบันทันตาไม่ต้องไปหาว่าชาตินั้นเที่ยวก่อนชาตินี้เที่ยก่อนการฝึกจิตเห็นเข้าใจการฝึกอบรมโดยสติโดยปัญญาของตัวเพราอทำของพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรปิดบังนอกจากกิเลสตัณหาเมื่อขับไล่กิเลสตัณหาออกไปกิเลสตัณหาไม่ได้ปิดบังจิตใจแล้วจิตใจสว่างไสว จิตใจสุขจิตใจสงบทุกคนเกิดมาต้องการความสุขความสบายแต่การที่จะชาระสะสารจิตใจของตัวนั้นรู้สึกว่าไม่ค่อยจะได้เอาใจใส่เพราะเหตุใดเพราะตัวเองและคนอื่นที่เกี่ยวข้องไม่เคยแนะสอนไม่เคยฝึกเป็นตัวอย่างมา ต่างคนต่างลุ่มหลงต่างคนต่างเพลิดเพลินจิตใจไหลไปสู่ด้านต่ําจะมาคิดเรื่องอดัดเรื่องทำรรสอนใจของตัวเองคิดยากเิีงที่ต่ําที่ชั่วโลกเขาถือว่าดีว่าสนุกสนานอย่างนั้นอย่างนี้จําง่ายติดง่ายเหมือนผักขาวปลูกอะไรก็คอยแต่จะเปลี่ยน จิตใจของเราก็ททำนองเดียวกันของต่ำของชั่วจิดง่ายจำง่ายไม่ต้องได้หกักได้ฝึกอะไรมันกว่าไหลไปในทางต่ำทางชั่วแต่จะฝึกให้ดีพิเศษให้สงบสงัดเป็นการฝึกยากถึงยากก็เสื่อตัวของเราไม่ใช่เสื่อคนอื่นต้องมีใจ หยัหั่นนมเพียพยายามฝึกพยายามอบรมสติถ้าหากเราไม่พินี้พิจารณาจริงจังมันจะขาดวักขาดตอนลืมหลงไปนานๆเพราะเราไม่ได้ฝึกมันคิดตรงไปอย่างนั้นคิดตรงไปอย่างนี้ทั้งทั้งที่ตั้งหน้าภาวานาแต่มันก็จิตใจ ไหลหลงไปสู่อารมณ์สัญญาอื่นกว่าจะเลิกนึกได้ความเจ็บปวดเหน็ดเหนื่อยเกิดขึ้นแล้วเอาละขนาดนี้เราได้ทำความดีพอสมควรก็นอนเสียวันใหม่กทําทำอย่างนั้นอีกสติไม่ได้อยู่กับตัวไหลไปตามสัญญาอารมณ์และเลึกไม่ได้วันระยะเวลาที่เราฝึกหัดปฏิบัติรม สติอยู่กับจิตหรือไม่ไม่ได้ตรวจตาตรวจองตัวเองก่อย่วัดในภาวนาก็เป็นพอแต่มันคิดมันปรุงอะไรไม่ค่อยได้ทีนี้พี่เจรนะิญนาไม่ได้รักษาเหมือนเป็นอย่างนั้นจะทำกันไปขนาดไหนมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะขาดสติ ทำแต่กิริยาทางกายส่วนจิตใจไหลปรุงไปในทางใหม่ถึงตัวอยู่ในป่าในโรงในกติวิหารใ้ใจก็เข้าบ้าเข่าลงนอกโรงหนังไปเสียนี่คือคนที่ขาดสติหายใจมันไหลไปในทางใหม่หน่วใจมันไหลไปทางใหม่ไม่ถูกหลักท้องอัดท้องทำใจก็ไม่ผ่อนใสใจก็ไม่สงบ ยิงควรฝึกให้สติอยู่กับใจตัง้งจิตตั้งใจทำจริงจริงจังจงสติเป็นเรื่องฝึกได้ฝึกละเอียดเข้าไปการเผลอน้อยไม่มีโอกาสเวลาจะเผลอยิ่งฝึกเข้าไปจริงจริงจิดละเอียดสติละเอีย ด, เ, ยดเป็นมหาสติแล้วไม่มีเวลาเผล่จะพูดจะคิดอะไร สติจะต้องตามทันทุกระยะทุกเวลาจะไปคิดปรุงเรื่องชั่วเสียต่างๆมันบ่งบอกทีเดียวว่าเป็นเรื่องที่นอกรูกนอกทางเสียเวลาและเสียใจให้ตัวเองยังจะยับขึ้นเมือ่อใดในเรื่องของสังฐานภายในทันทุกระยะเมื่อเป็นอย่างนั้นจิตจะมีโอกาสเวลา ไปเจ็บไปคิดไปติดไปควางเรื่องชั่วมันเป็นไปไม่ได้นี่คือจิตที่ฝึกดีมีสติรอบครอบมีสติเต็มที่จึงเป็นการฝึกง่ายระวังง่ายเรื่องของจิตแต่มันจะละเอียดข้าไปอย่างนั้นกว่าอาศัยหยากเที่ยก่อนมันฝึกมันอบรมตัวของตัวเลย ทางหยากหรือเรื่อยไปผลที่สุดมันก็ละเอียดไปเองเหมือนกันกับการบำรุงพืชผลต่างๆที่เราก็ปลูกเอาไว้เรารดน้ำพรวนดินให้บ่อยๆพืดผล น, นั้นก็เติบโตขึ้นเป็นลำดับชั้นใดการก็พืชปฏิบัติภาวนากว่าชั้นนั้น เราไม่ลดละเราตั้งหน้าฝึกอบรมความหยาบค่อยจะละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจนถึงใจละเอียดถึงที่สติกับจิตเป็นอันเดียวกันไม่ห่างกันระยะนี้เป็นความเพียรตลอดเวลาเพราะไม่มีเรื่องนอกจะมาเกี่ยวข้องกับจิตใจถึงปรุงคิดออกไปก็เพื่อแจ้งิเลส จิตมันยังสัมผัสยังติดเป็นบางสิ่งบางอย่างไม่ได้เพลอสติตจิตมันละเอียดได้มันเป็นไปได้แต่คนที่มัเคยฝึกเคยอบรมก็มัเข้าใจว่ามันจะเป็นไปได้อย่างนั้นมันเป็นไปได้เรื่องความติดข้องของใจเคยกรุงจิตต่างๆมันหดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามาจนถึง สถานที่มันเกิดเกิดขึ้นจากที่ใดเราจะไม่ไปสนใจในเรื่องนอกเหมือนกันกันกบเราดูเถาวันยอดของมันจะยืดยาวไปขนาดไหนแต่เงาที่มันเกิดต้นตอที่มันเกิดอยู่ที่ใดเราจะต้องพยายามตัดที่นั้นถอนที่นั้นส่วนยอด ที่ยืดยาวออกไปมันจะตายเองเพราะเราตัดรากของมันตัดเง่าของมันให้ขาดฉันใดจิตใจของพวกเราท่านในเมื่อฝึกใหม่ๆอารมณ์มันก็แสสใส่ไปหลายเรื่องหลายอย่างในสาว่ามันมาจากทิศใดทางใดเพราะเราไม่ยังไม่เห็นว่ามันเกิดจากที่ใดนั่นเองจึงขว้าหาอย่างนั้น กว่าหาอย่างนี้เพื่อที่จะให้ทราบสาเหตุของมันหรือเพื่อจะแก้แกไขความติดข้องของมันการภาวนาก็ทำนองเดียวกันเมื่อเร า, ภ า, าภาวนาไปภาวนาไปจิตใจที่เคยโลภโกรธหลงในสิ่งนั้นสิ่งนี้มันโลภเพราะเหตุใดสิ่งเหล่านั้นเรายังไม่เห็น ยังไม่ได้ยินมันมีหรือไม่เมื่อมันมีอยู่เราไม่รู้ไม่เห็นทําไมจิตไม่คิดไม่ปรุงไม่ติดไม่ต้องมันจะต้องมีทางสอบสวนแนะนตั ว, วข้องตัวเองนี่คือการสืบหาเรื่องภายนอกเมื่อมันเข้าไปถึงเรื่องภายในถึงต้นต่อข้องมันก็ไม่ต้องมากก่อเกี่ยวเพราะสิ่งเหล่านี้ เราไม่เกิดมันก็มีอยู่เราเกิดมามันก็มีอยู่เราตายไปมันก็มีอยู่สิ่งเหล่านี้ไม่เป็นพิษเป็นภัยถ้าหากเราไม่เป็นหลงเพราะของเหล่านั้นไม่ใช่ของที่เป็นกิเลสตัณหาอะไรนอกจากใจที่ไปลุ่มหลงจิตข้องพระพุทธเจ้าหรือสาวกผู้บริสุทธิ์ท่านอยู่ในโลกได้ไม่มีจิตใจปั่นป่วนหลงไหลแต่เราทาไม จึงติดขวองหลงไหลเผิดเพลินลุ่มหลงก็เพราะเรื่องของเรามันยังไม่เขายังไม่เขาถึงจุดที่จะรักษาง่ายถ้าาหากเขาไปถึงจุดส่วนต่อของมันจรงิงจังมันเกิดขึ้นจากจิตทั้งนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากที่อื่นเมื่อทราบว่ามันเกิดขึ้นจากจิตจะไม่จับผิดกับรูปเสียงกิ่นรสภายนอกมันก็เป็นเรือ่องงมงายเป็นเรื่องเห็นผิดมันเกิด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 ขาดพิจนะได้พอไปถึงจุดแล้วจริงไหมเกี่ยวข้องเรื่องภายนอกเกี่ยวข้องเรื่องของจิตถ่ายเดียวว่าจิตนี้เองเป็นผู้ลุ่มหลงเป็นตัวโลภตัวโกรธตัวหลงไม่ใช่เรื่องอันอื่นเมื่อเคอยใจทราบตัวจริงจังแล้วก็ไม่ควรจะไปเกี่ยวข้องเรื่องอืนอ่นจิตทําไมมันถึงติดถึงข้องอย่างนั้นจึงไปหลงไปหลายอย่างนั้น เมื่อมันสาบเหลืองของมันมันก็ปล่อยวางในติดในยุ่งกับสิ่งที่มีอยู่ในโลกปล่อยไปหมดไปวางไปใจที่ปล่อยวางสัญญาอารมณ์ได้เห็นตามเป็นจริงเป็นใจสบายถ้าใจไม่สบายเพราะไม่เห็นตามเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างคอบโรุยเข้ามาว่าเราว่าของเราสิ่งที่รักหรือสิ่งที่ไม่ชอบ ก็รบกวนตัวเองให้ได้รับทุกทุกเพราะความรักก็ไม่ใช่เล่นทุกเพราะความไม่ชอบใจก็ไม่ใช่เล่น <c oughs> เป็นเรื่องเิเละเป็นเรื่องของแฝงจิตไม่ใช่ตัวจิตเองแต่จิตำํำระสิ่งเหล่านี้ได้จิตสะอาดจิตสงบจิตสบายพระพุใจเจ้าและสาวกท่านอยู่ในโลกไม่ติดโลกท่านอยู่อย่างนี้ จะทราบดีจากจิตของตัวเองถ้าจิตยังไม่เห็นไม่เป็นอย่างนั้นก็ไม่ทราบว่าความสุขความสงบความสบายนั้นมันอยู่ที่ไหนกันแน่อยู่กับอะไรกันจะวิ่งวุ่นตะคุกเงาเลื่อยไปต่อเลยไม่ทันไม่ได้จริงจีตัวต้องการการภาวนาเป็นการตามเรื่องภายนอกเข้ามาภายในคือน้อมเข้ามาพิจรารณา ในใจของตัวเองชนปล่อยหมดเรื่องยุ่งเกี่ยวต่างๆตามกําหนัดยินดีโลภโกดหลงมันไม่ใช่มีอยู่ในกายมันมีอยู่ในใจเมื่มันมีอยู่ในใจนในใจะไปแก้ไขเรื่องของกายมันจึงแก้ไม่ได้้องแก้เรื่องของใจเมื่อแก้เรื่องของใจได้กายมันเป็นปกติเป็นธรรมดาอันนี้จังทุกขังอนัตตา นั่นเป็นธรรมเป็นกุญแจสำหรับแกจิตให้เห็นตามเป็นจริงไม่ใช่ตัวจิตแท้จิตจริงจริงล่ะไม่มีอ น, นิจจังไม่มีทุกขงังไม่มีอนัตตาแต่จิตบริสุทธิ์ถ้ามีอ น, นิจจังทุกขงังอนัตตาอยู่ยังไม่ใช่ความบริสุทธิ์ของใจความบริสุทธิ์ของใจจริงจังไม่มีอนิจจังทุกขงังอนัตตาเย เกแฝงเป็นความบริสุทธิ์ตั้งแต่วันรู้จนกระทั่งวันตายเรียกวันนิพพานไม่มีอะไรจะแปรผันเปลี่ยนแปลงไปเอ๊ะจิตทำไมเป็นแบบนี้ไม่มีการสงสัยเพราะเหตุใดเพราะความบริสุทธิ์ของใจนั้นไม่อยู่ในวงของสมุิบริสุทธิ์เต็มที่เข้าใจเต็มที่ว่าอยู่ไปอีกหมื่นปีแสนปีก็ไม่มีอะไร ที่จะเกิดขึ้นอีกที่จะเสียไปคงที่อยู่อย่างนั้นความบริสุทธิ์ของจิตท่านจึงไม่มีการสงสัยไม่มีการอยากอยู่อยากไปยังอยากไปอยู่ก็ยังไม่ถึงที่ยังหาอยู่ก็ยังไม่เห็นมันทราบซัดภายในจิตในใจท่านจึงว่าเป็นปัจเจตตังไม่มีทางสงสัย ไม่มีอาการทั้งกระถาไม่มีปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นอีกนี่คือการปฏิบัติภาวนาเมื่อรู้เห็นเข้าใจเด่นชัดเป็นอย่างนั้นทุกคนจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นค้ า, าราชการพชิตจะเป็นอดีตที่หลวงมาแล้วพระพุทธเจ้าองค์ไหนหรือเป็นอนาคตจะมีมาข้างหน้าก็เป็นเหมือนกันหมดเหมือนแม่น้ําทุกสาย ไหลลงไปแล้วก็วตามยังไม่ไหลลงไปก่อตามถ้าไปตกทะเลเป็นอันเดียวกันคือเข็มเหมือนกันจิตใจของท่านที่บริสุทธิ์เป็นเหมือนกันหมดเสมอกันหมดพระพุทธเจ้าหรือสาวกเสมอกันหมดความบริสุทธิ์นั้นที่ไม่เสมอกันก่ออานาจวาสนาภายนอกเท่นั้นแต่ความบริสุทธิ์เสมอกันฉะนั้นพวกเราท่านจะมีอํานาจวาสนาดีชั่วยอย่างไรเพิ่งฝึก ใจของตัวเมื่อถึงถี่แล้วหมดความอยากหมดความอยากก็หมดความทุกข์เพราะความอยากเป็นต้นต่อของทุกข์เหตุใดจึงหมดความอยากก็ไปเห็นไปรู้ไปพอใจสิ่งที่หมดอยากเคยสงบเคยรวมรวมเคยปีติ ยิ้มใจเบิกบานใจเคยพบเคยผ่านหยาบละเอียดสองใจมาแต่มันไม่หมดความอยากมันยังคิดอยู่ว่าความบริสุทธิ์เป็นอย่างไรยังมีทางสงสัยเมื่อถึงบริสุทธิ์แล้วไม่มีทางสงสัยไม่มีอะไรจะอยากอีกจะไปถามใครจะไปฝึกอะไรให้มันได้ไปอีกหรือจะทำอะไรให้มันเสียใจมันเป็นไปไม่ได้ แต่ท่านที่มีธรรมก็จะต้องรักษาสมมติไม่ใช่ว่าถึงที่สุดของทําแล้วจะปล่อยวางไปหมดท่านยังมีสมมติศีลเป็นสมมติอันหนึ่งจึงต้องรักษาท่านก็รักษาไม่ใช่ว่าท่านถึงที่สุดจิตเป็นวมมุติแล้วอยากจะทำอะไรก็ทำไปมันไม่มีความอยากที่จะทำไปในทางชั่วอย่างนั้น มันจึงไม่มีทางเสียทางหายอะไรกันการฝึกจิตจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนจะต้องฝึกเพื่อความสุขความสบายความยาเย็นของตัวฝึกจิตได้แล้วไม่มีอะไรที่จะประเสริฐลิเศษกว่าจะได้เป็นจักรพัมีสมบัติผัวโลกกว่าตามความสุขอันนั้นจะได้เสี่ยวหนึ่งของความ สงบจากกิเลสไม่มีความสงบจากกิเลสนี้เป็นความสงบแท้เป็นความสุขแท้เป็นวามประเสริฐแท้จึงควรฝึกและความสงบนั้นก็ไม่มีไปจากที่ไหนนีอยู่ในกายในใจของเราถ้าฝึกได้อุรมได้กายใจของเรานี้ะเป็นสมบัติประเสริฐวิเศษกว่าสิ่งทั่วไปผูมีปัญญา อย่างพระพุทธเจ้าท่านจึงชมเชยสรรเสริญการฝึกจิตการดัดจิตการกระทําม จ, จิตของตัวให้บริสุทธิ์พระพุทธเจ้าหรือสาวกที่ทันดีวิเศษกว่าอาศัยที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นที่จะทําได้ไม่ใช่ตายไปแล้วจึงจะได้มรดกผลแต่ความดีวิเศษถ้าหากเรายังไม่ดีวิเศษ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 จึงควรฝึกอบรมแน่สอนตัวไม่มีทางอื่นที่จะดีไปกว่าการฝึกจิตอบรมใจฝึกไปก็ททาไปความเยือกเย็นความสงบจะเกิดจะเป็นจะเห็นจะรู้หากไม่ฝึกไม่ปฏิบัติแต่อยากได้ก็เหมือนกันกับคนหิวตาหายข่าวน้ำต่างๆจะบนขนาดไหน มันก็ไม่อิ่มให้สารับทานแล้วมันจะอิ่มขึ้นความอิ่มก็ตรงม่ตรงไปถามคนอื่นว่าความอิ่มเป็นอย่างไรการฝึกอบรมภาวนาทางใจก่าทำนองเดียวกันศาถนาเอาเฉยๆไม่ได้ต้องตางหาต่างตาฝึกอบรมรักษาต้องพิสปิบัติความสงบสงัดความสุขความสบายเป็นอย่างไร อย่าปล่อยจักในใจของตัวเองทําเป็นปัจจดแต่างอย่างนี้ผู้ประพัติปฏิบัติตัวรู้เห็นมาอย่างนี้จึงควรฝึกควรอบรมควรประพฤปฏิบัติไม่มีทางอื่นจะดีไปกว่าจิตใจถ้าชั่วแล้วมันก็เสียไปหมดถ้าดีแล้วมันก็ประเสริฐไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีขาดศัตูถ้าชั่วไปแล้ว มันเสียไปหมดจิตยามารยาทเขาผูดจ่าปลาใสเขาจะทำถ่าไหนมามันกตโกรธมันก็ไม่ดีเพราะเหตุใดเพราะใจเราไม่ดีเห็นอะไรไม่ดีไปหมดถ้าใจเราดีมันดีมันสบายจึงควรฝึกใจอบรมใจอย่าไปคิดเรื่องใหม่มาจะดีวิเศษยิ่งกว่าการฝึกจิต พยายามแตะทำบำทําเพ็ญพยายามฝึกอบรมจิตดีอย่างเดียวดีไปหมดจิตสงบอย่างเดียวโลกสงบจิตวุ่นวายอย่างเดียวโรควุ่นวายพยายามสอนตัวของตัวอย่างนั้นแล้วฝึกประพฤติปฏิบัติตามทุกคน <c oughs> รู้เห็นเป็นได้มีสิทธ์มีส่วนที่จะทำพติปฏิบัติ ไม่ใช่ว่าเป็นหน้าที่ของพระของเนนของนักบวชเพราะความสงบต้องการทุกคนไม่ว่าจะนักบวชพระอาก็ต้องการความสงบจะเกิดได้เป็นได้ก็เพราะอาศัยการฝึกการกัดทำไม่ใช่อยู่ๆความสงบก็จะโผล่ขึ้นเป็นขึ้นเพราะพระพุทธเจ้าทร <c oughs> งแนะนให้พวกเรามีความเพียรเพียรพยายามขับไล่ เรื่องอารมณ์สัญญาสิเป็นขาดสึกแก่ใจให้ตกไปพยายามบังคับบัญชาใจให้ชิดให้ทำให้พูดแต่สิ่งดีสิเป็นสาระถ้าเราเพียรพยายามรักษาตัวของเราอย่างนั้นด้วยสติด้วยปัญญาความดีที่มีกำลังน้อยก็จะมากขึ้นความชัว่ว ที่มีกำลังมากก็จะน้อยลงยือหมดไปมีการชาระการการทำทางใจมันเป็นอย่างนั้นธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ยืดยาวไม่มากมายแต่อาการของธรรมมีมากรูธรรมคอยใจธรรมชัดเจนอย่างเดียวเท่านั้นรูทั่วโลกเพราะมันเหมือนกันหมด หลงทำเพียงอย่างเดียวเท่านั้นหลงไปทั่วโลกเหมือนกันฉะนั้นจึงควรฝึกควรอบรมให้จิตใจของตนเห็นรู้เข้าใจชัดเจนในเรื่องของตัวเองโดไม่มีทางสงสัยในธรรมะทั่วไปพบฉาติทั่วไปฉะนั้นการฝึกใจจึงเป็นการแก้ปัญหาการทำความสุขความสงบให้แก่ตัวไม่มีทางอื่น จะดีพิเศษไปกว่าการฝึกตัวของตัวเมื่อทุกท่านได้สะดับแล้วกลางแล้วจงนำไปที่นี้พิจรารณาการอธิบายธรรมะขอเห็นว่าพอสมควรเสียเวลาพอยุติอย่างเี้